f i f languages. 93. n u ประโยคใช้เชื่อม Subordinadas a d j e t ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ No sé si me m a ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ No sé si tornará ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ No sé si me tocará เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ ¿Si me estima? No sé เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Si tornará n o ้สเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้เซียมตรุกะนะโน้สเซ่ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมอันตรกุนตุสิเป็นสันมีดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมอันตรกุนตุสันเตอันอัลตรา ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก em p r e g u n t o si s i m e n t e i x เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ d u b t u k realmeniagradi ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ dubtuka maskrigi ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ dubtuka skaziame เขาจะชอบฉันจริงจังไหม เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Si me e no s c r i ว r á No sé. เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Si s casará a mí? No sé.